ปฏิบัติตามคำได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดลอมซึ่งกันและกันทำให้กรรมการกระทา ม, มันเจริญข้าวหน้าเรามาศึกษามาเจริญสติก็เป็นกรรมเป็นการกระทาใช้ได้ทันที สตินี่เป็นสารพัดนึกใช้ได้ทันทีเห็เราไม่สติดูกายก็เห็นกายได้ทันทีเห็นก็เห็นแจ้งทันทีไม่มีคำถามเป็นสั จ, จธรรม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 ก็จะไม่หลงยิ่งขึ้นการไม่หลงเรื่องของกายของใจท่านเรียกว่าลู้แจ้งเรียกว่าวิปัสนากรรมาฐานวิปัสนากรรมาฐานเป็นคุณธรรมที่ทำให้ถึงมรรคในพานได้ล้วเราก็เห็น ไม่ใช่คิดไปเห็นอะไรไปเห็นความหลงไปเห็นความห่วงไปเห็นอะไรต่างๆก็ไม่หลงสักอย่างเดียวแต่เรามีความรู้สึกตัวตั้งหลักไว้ให้ดีๆให้มันเป็นฐานให้มันเป็นที่ตั้งดีๆในความรู้สึกกิงๆความรู้สึกเข้าไปเห็น สิ่งต่างๆที่คือเครื่อง ก, กายกับใจอย่าไปใช่เหตุใช่ผลอย่าไปใช่ความชอบความไม่ชอบมนแต่รู้จึกตัวเข้าไปืสอสื่อตรงๆการเห็น อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นเรื่องของสตินี่ทันเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติกรรมาฐานกรรมาฐานตัวนี้จะลี้ิดไปเองเป็นทางหลุดทางพ้นไปเองการเจริญสติสติมกกันก็ทำให้เจริญ ไม่ต้องไปอาใช้อันอื่นอยู่ในเนื้อในตัวเนื้อในเนื้อเนื้อมันในมันโหราณท่านว่าสติก็สร้างสติเรื่อยไปการเจริญสติไม่เหมือนทำอย่างอื่น สำจากอกินกลัวจะได้ใช้ในต้องใช้เวลาต้องมีสิ่งเกี่ยวข้องหลายอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้ก็ต้องมีสิ่งที่ประกอบหลายอย่างแต่โต้นไม้นั้น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 ให้ประสบการณ์ให้พบเห็นสติที่มีประสบการ์เกี่ยวกับความหลงสติก็พัฒนาสติมีประสบการณ์กับวกับความงงเหงาหอนอนสติก็ถูกพัฒนาไม่เสียหายสักอย่างเลยการเจริญสตินี่ยไม่เหมือนอย่างอื่น เวลานี่พวกเราปลูกต้นไม้เนี่ยกำลังจะมีไผกับต้นไม้ไมีด้วงมาเจาะตายไปหลายต้นทำไมจึงมีด้วงมาเจาะเพราะมีตัวต่อไปเอาเปลือกเอายางโดยเพราะต้นยางนาต้นอ่า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 ตัวมแมลงที่มันไปไข่ใส่ก็เป็นด่วง <c oughs> ด่วงก็เจาะกินเข้าไปกินเข้าไปลึกด้วยเอาไม้ไปเสียบลงดูเข้าไปถึงนิว้วสองนิว้วมันก็เจาะจินไปเจาะจินไปเมื่อไปถึงกลางใจตอนไม้ตัวไม้ก็ตายไปนี่เรียกว่า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 แต่วันนี่เนี่ยนอหนูเสละอีเฉละ อ, อ, อีไม่เีกนี่คือมันใกล้ใกล้แต่นี้นูตโน้ตมันไกลแต่เป็นมรรคเป็นผลก่อนนี่ไม่ใช่โน้ตเหมือนกับพูดเมื่อวานนี้ว่าถ้าเป็นมรรคผลก่อ คีมลองคีมไปเลยแม้ยังไม่มั่นคงเพ่งถาวรก็ได้ได้ได้ผลแล้วรู้สึกตัวเห็นความหลุดพ้นความหลุดพ้นที่เป็นวิมุตเป็นการสุดยอดของการศึกษานะกับพ้นชั่วช่างสะบัดหูช่วงูเล็บลีน มันหลงพ้นเจ้าความหลงมีสติก็พ้นเจ้าความหลงมันทุกมีสติก็พ้นเจ้าความทุกแม้มันหลงอีกมันทุกข์อีกก็พ้อนอยู่เรื่อยๆเนะี่ยทางแบบนี้ทางไปแบบนี้ทางหลุดพ้นคือไปแบบนี้การปฏิบัติทำการเจริญสติเนะี่ยเป็น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 วิธีที่จะให้พ้นจากทุกข์ทุกข์เนี่ยมันก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเป็นภาละเรื่องของกายของใจเนี่ยที่สุดคือทุกข์ถ้าเราไม่ศึกษาแต่เรามาศึกษาที่สุดก็คือการพ้นทุกข์เพราะพุริ้าจงมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ไม่แต่ทุกข์เท่านั้นดับไป เรามีความทุกข์อย่างเราแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีความเกิดมีความเจ็มีความเจ็บมีความตายเราจะปล่อยมันก็ไปทางนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่มากความเกิดความเจ็ความเจ็บความตายแนวการเกิดก็เกิดได้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นพุกเกิด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 ดังคำสอนที่ท่าทายพวกเราว่าคนเราเนี่ยไปสู่ภูมิมันต่าเปรี่ยนสุรกายสัตว์โลกเดรัจฉาเนเท่ากับขนโค ไปสู่ภพภูมิสูงเท่ากับเขาขู่ไปสู่สวรรค์ในพานเท่ากับเขาของขู่ขนกับเขามันไม่เปรียบเทียบกันได้นี่เรื่องเรื่องที่ท่าทายชีวิตเราล้วก็มปคำสอนที่มันโงกขึ้นมา ใหม่ๆเรื่องศาสนาดังที่ได้ยินเขาสอนเขาพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การแปลคัมภีร์ของอิสลามเนี่ยถ้าฆ่าคนจะได้บุญคนที่ถูกฆ่าก็จะมาเป็นที้ฆ่าของเราในภพภายข้างหน้าเป็นที้ฆ่าเราถ้าเราฆ่าใครคนนั่นจะมาเป็นที้ฆ่าเขาจึงฆ่ากัน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 ก็ไม่สากนี่เรารู้เธอมันเป็นอย่างนั้นเราเรารู้สึกว่ามันน่าน่าน่าจะผิดเป็นอย่างมากๆเลยไม่ว่าสัตว์อะไรเราตัวโกตายเหมือนกันการทําให้ตายการทําให้เก็ดถือว่ามันเป็นบาปมันเป็นบาป แม้แต่เราเนี่ก็เป็นบาปถ้าเราทําให้เราเป็นทุกข์เราก็เป็นบาปเพราะเราจึงมายกภูมิของเราปิดภูมิที่มันไปนต่าๆปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนเนี่ยมันก็มีทางมีโอกาสไปสู่อบายได้เราจึงมาพัฒนาตรงนี้อย่าให้มันเป็นคน คนมันเคยยังไรคือคุม้มร้อยคุ้มดีคึ่งผีคึ่งคนคุม้มร้ยคุ้มดีเป็นยังไงบางทีก็ทุกข์บางทีก็หลงบางทีก็สุขบางทีก็โกรธเอาทุกอย่างคนเนะ่ะเอาทุกอย่างผมโกรธความรักความชังความยินดีความยินไล่วนเวียนอยู่ตรงนี้ก็ล่อยมันเป็นอยู่ตงนั้นลอยตัวอยู่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 คุมได้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาลู้สึกตัวคุมมันแล้วควบคุมมันแล้วควบคุมสังขารที่มันไปไฟต่ำลู่สึกตัวขึ้นมาลู่สึกตัวขึ้นมาผมลู้สึกตัวเพืให้ได้ได้ภูมิใหม่ได้เป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์ขึ้นมามนุษย์เนี่ยไม่มีโอกาสเป็นพระได้คนไม่มีโอกาสที่จะเป็นพระได้ แต่เรามาศึกษามาดูจริงๆเราหน้ากลัวมากคนเนี่ยคุณร้อยคุณดีเนี่ยพอเรามาีสติเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเห็นเราก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวนะมันจะหลุดลงไปเราเอาขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ขนหัวลุกเหมือนกัน มันจะโกรธเรารู้สึกตัวนะช่วยช่วยตัวเองได้ยกขึ้นมาได้มันจะทุกช่วยตัวเองได้รู้สึกตัวยกขึ้นมาได้ค้นออกมาได้เหมืออกมับมจะตกลงไปหัวหิวจับได้ดึงขึ้นมาเหมือนลูกจะตกบ้านจะตกวันไดพ่อแม่ค็อเอามาจับแขนจับขาไว้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 ไปถามไปเอาผิดเอาถูกกับใครไปโทษไปโพยใครก็ไม่ใช่มันเป็นส่วนตัวมันเป็นส่วนตัวที่เราจะเข้าไปเกียวขลองมีสติสมัยญญจันญะแต่ก่อนเราไม่เป็นส่วนตัวเราไปโทษคนอื่นจนอื่นทาให้เราเป็นทุกข์คนอื่นทำให้เรามีสุขเรียกร่องความสุขจากผู้คนจากสิ่งอื่น ป้องกันความทุกข์ไม่ให้คนอื่นไม่ต้องทำกับเราความสุขวังทต้องไปซื้อไปหา <c oughs> ไปป้นไปจี้ไปข่มไปคืนดอกชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับวัตถุกักบผู้คนสิ่งอื่นวัตถุอื่นวันนี้เรามาเห็นอย่างนี้นะโอ้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 มีปัญหาประสบการณ์ต่างๆเอาไปเอามามาลงอยู่ที่ควรู้สึกตัวแล้วเมือสองวันสามวันมานี่ก็เจ้ากณะจังหวัดขอนแก่นก็มาพูดเรื่องสติมาพูดเรื่องสติท่านจบปุเรียนทำเก้าประโยคท่านก็อธิบายเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้ามันมาลงอยู่ที่สติมีความรู้สึกความระลึกต่ายเท่านั่นเอง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 จนเกิดข่มขืนฆ่ากันแจงกันป้นขี้เอาของคนอื่นมาเป็นของเราเอาของเราไปเป็นของคนอื่นหมดเนื้อหมดตัวเป็นทุกข์เป็นโทษมันเวทนาในเวทนามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆในน้อยเมื่อเราเห็นอย่างนี้โอ้เปิดทางปลุกเบิกออกแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาการเึ็ดสาม เห็นทำในธรรมในธรรมธรรมมันเป็นกุศลเป็นอกุศลเกิดขึ้นกับจิตกับใจที่เราไม่รู้บางทีก็ไปหลงสุกไปหลงความรู้มันมีบางกันธรรมนะสุขก็็นทุกข์ก็มีรู้ ก, ก็็นไม่รู้ก็มีเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียมีความทุกข์ทวารมความดี มีความสุขก็ทำความชั่วก็ไม่ได้ด่าเขาเออกูได้พูดนาใจกูแล้วได้ฆ่าเขาจนจนชื่ว่าตัวยังทำเก่งได้เอาชนะคนอื่นได้ฆ่าคนอื่นได้เหตุได้ผลได้โต้ได้ว่าอะไรกันเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกในธรรมที่มัน เป็นสิ่งที่ครอบความชีวิตจิตใจของเราความโกลควมโรคความหลงความสุขความทุกข์ความรู้ความไม่รู้บางทีนักกรรมฐานก็ไปหลงตรงในรเรื่องเหมือนกันบางทีมันตกแหลงความรู้ตกแหลงความสุขก็ขไม่ไม่เห็นเข้าไปเป็นกับมันซะ มันสุขก็เป็นผู้สุขมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์มันลูกก็เป็นผู้ลูกมันไม่รู้ก็เป็นผู้ไม่รู้ในธรรมแต่เธอมันไม่รู้ก็จะว่าตัวว่าตนเป็นตนผู้ไม่รู้สําคัญมันหมายเป็นปมด้อยเป็นปมเครื่องบางทีก็ถ้าสําคัญตรงนี้ก็ต้องอาวัดประวิคได้ อวดอุตริกมนุษยธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนดัวอะไรเล็กแต่น้อยก็หลงตัวลืมตนบางทีมันมีได้ปฏิบัติทำในอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปหลงมันมันสงบมันไม่สงบมันรู้มันไม่รู้เนี่ยเท่าเท่ากันสติก็เข้าไปเห็นเกาไปรู้ได้นะ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 เห็นศีลสมาธิปัญญาปัญญาต้องเป็นขั้นสุดท้ายอก็เกิดจากควารู้สึกตัวในสติสติปัญญาเราก็เลยพูดแบบไม่เอารายละเอียดไม่ไปเอาลายละเอียดไปสอนธรรมะบางคนเขาเข่าวว่าเราเนี่ยพูดแต่เรื่องสติพูดแต่เรื่องสติไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้พูดเรื่องสมาธิ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 เราอยู่ไหนหรอมันหลงอยู่ไหนมันเป็นอะไรเรารู้สึกตัวใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอเกิดกับการทับงานทํางานทำการเนี่ยสมาธิต้องไปทำงานไม่ใช่สมาธิทิ้งงานทิ้งการ น, น, นั่งหลับหูหลับตาไปอ่านหนังสือไปเขียนหนังสือไปทำงานเอามือเอากายไปทำเอาใจไปทำ <c oughs> ใส่ใจลงไปไม่โทษไม่ทิ้ง ไม่ผิดไม่พลาดสมาธิปัญญาก็ก็รอบรู้ปัญญาถลุงแยกอยู่เรียกว่าวิจยะบ้างการสอดสองไม่ใช่ทำโง่โง่โง่เงาเตาตุนไม่ใช่มีสติมีปัญญาไปพร้อมกันไป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 ไม่ความเป็นธรรมไม่อำนาจอำนาจแห่งความเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วในกายในใจของเรามั่นใจอยู่แห่งหนตำบนใดอยู่ที่ไหนอันใดเวลาใดมันอยู่กับเราแล้วแับเนี้ยมันจะมีอะไรก็ไม่ไม่สำคัญเราเราจะเอากายเอาใจเราไม่สติเนี่ยละความชั่วทำความดีทุกโอกาส ให้เกิดการหลุดพ้นได้ทุกสถานการณ์มันหลงก็พ้นเจ้าความหลงได้ทันทีมันทุกข์ก็พ้นจ้าความทุกข์มันยังมีความโกรธกับพ้นจากความโกรธมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้หลุดให้พ้นมันจึงจะถูกต้องไม่ใช่เราจะไปจำน้นไปรับใช่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษอะมันก็สงบร่มเย็น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 ก็พูดให้ฟังไม่ใช่พูดแบบ <c oughs> ชวนให้คิดชวนให้หาเหตุหาผลพูดแบบให้เอาไปทาเอาไปใช้ทันทีใช้ได้ทันทีตัวลูกเอาไปใช้ให้มันรู้ถ้ามันหลงก็เอาตัวลูกไปใช้กับความหลงให้มันพ้นจากความหลงเอาไปใช้ให้เป็น